ทำบัตรจบก็เช้านี้จะเป็นเช้าท้ายสุดที่กลุ่มมโวกาสได้ทรรัตรเช้าร่วมกันบองคนก็เตรียมตัวเก็บ เ, เก้าเก็บของแล้วนะเก็บเต็นต์ตอนนี้เราก็สร้างความสุขเพิ่งมาถึงจะลมต้นปฏิบัติธรรมกันให้จิตใจอยู่กับปัจจุบันก่อน รูปปัจจุบันในการเคลื่อนกันไหวของกายนั่นเป็นตัวมักมีสติต้องไปในกายเป็นตัวมักมันมีการเห็นตรงอยู่เห็นตรงกายเห็นตรงรูปธรรมธรรมชาติที่มันมีอยู่จริงๆเป็นรุ่นเป็นก้อนจิตใจมันเป็นนามธรรม มีาธาตุรมีมาธาตุว่างขณะที่รู้สึกตัวมันก็มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกเห็นถูกสัมผัสได้จับต้องได้มันมีการนำริชอบมันมีการนำริที่ไม่ได้เป็นดีเป็นชั่วมันเป็นลนักษณะของเหนือดีเหนือชั่ว มันจะเกิดความรู้สึกเฉยๆขึ้นมารู้แล้วเกิดปัญญารู้แล้วเห็นสภาวธรรมยิ่งๆขึ้นไปหลายอย่างเกิดความตั้งมั่นในท้ายสุดตั้งมั่นใจใจเป็นปกติตั้งมั่นอยู่มีพลังสมาธิ จริจๆมีอีกสองตัวนะมรสิบมันไปจบตายด้วยนะวิ ม, มุตตนะหลุดพ้นแล้วก็ยาณนะนะยาณะคือลักษณะของนะก็คือยานะั่นแหละนะยอสลายาเป็นทั้งยาเป็นทั้งการรักษานะเป็นทั้งการ ทำให้มันเกิดความมีความเต็มขึ้นมามันมีการมีมีอะไรมันมีความไม่ทุกข์นั่นแหละทำไมมันไม่ทุกข์เพราะว่ามันรู้แล้วว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีแต่ธรรมชาติที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันไม่ได้มีความโลภความกดความหลงเข้าไป เป็นเหมือนสัญชาตญาณชีวิตของเรามันตกอยู่ด้วยสัญช า, าตญาณพุ่งทายานออกไปมีตันหาอยูประทานมาอยากตยานอยากก็ยึดเพไปยึดไปไม่ชอบยึดไปชอบชอบไม่ชอบมันก็ติดอยู่ตรงชอบไม่ชอบนะเราก็เลยเห็น อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริง mm hmm. จอตั้งมันก็ไม่เอาอะไรเหมือนกันนะถ้าจะเอามันก็เอามาใช้นะตามหน้าที่ mm hmm. เป็นลักษณะของ mm hmm. การกลับมารักษาใจของเราทำหน้าที่อะไรก็ไม่ต้องทุกข์ mm hmm. เป็นธรรมชาติไม่เป็นกรรมดีกรรมชั่ว เ ป, เป็นเรื่องเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าไปที่เขาเรียกว่าหน้าที่น ะ, นะอะไรที่มันอยู่ตรงหน้านมันสาคัญที่สุดบุนคคลที่อยู่ตรงหน้าก็คือคนที่สาคัญที่สุดเวลาขณะนี้ก็คือเวลาที่สาคัญที่สุดเรากำลังทําวัดรเรากำลังสวดมนต์เรากำลังฟังธรรมกันอย่างนี้กำลังเกอนไม้เครื่องมือไปด้วยฟังไปด้วยบางคนอาจจะสงสัยเอาเกอนมือเราจะฟังรู้เรื่องได้ยังไง เวลาฟังไปเคลื่อนมือเริ่มจะรู้สึกที่มือได้อย่างไรบางคนอาจจะงงหรือ่สงสัยตรงนี้จริงๆแล้วสติที่เป็นสติปัฏฐานมันเป็นการกลับมารู้แลมันรู้รอบมันเป็นความรวดเร็วเป็นไวพิปปิพานมันอยู่ในแดนงานเรขากรรมมนิยโยมันเป็นความบริสุทธิ์บริสุทิโต เหมาะแก่การงานแล้วก็ทำการงานด้วยความบริสุทธิ์ก็คือไม่ต้องทุกเป็นปรมนนะมาททำงานแบบพระแบบจิตใจที่มีกำลังของสติสีลสมาธิปัญญาหรือปัญญาสีลสมาธิอะไรก็ตามจะกลับไปกลับมาอย่างไรมันก็ถูกหมดนั่นแหละทนะงคือตัวเดียวกันนะเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดเช่นตอนนี้เรานั่งอยู่นะเราก็มีชื่อว่านักปริบัติธรรมเป็นพระเป็นแม่ชี ออกไปเรานั่งรถไปเราก็เป็นผู้โดยสารไปอยู่ที่บ้านก็เป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทันตแพทย์เภ็สัต์เป็นอะไรก็ตามเถอะแต่ก็คือคนคนเดียวกันที่เรากคนคนเดียวกันก็คือความรู้สึกตัวนั่นแหละแต่จะชื่อสมมุติแตกต่างก็คือหน้าที่แต่ละคณะแต่ละคณะแต่ละคณะ ขณะที่ก็าละเลิกเขเรียกว่าสติอย่างงี้นะขณะที่กขาตั้งมั่นอยู่ก็เรียกว่าสมาธิขณะที่มันใช้เป็นไหยพิปปิพานนั้นเป็นตัวปัญญาเห็นถูกเห็นตรงเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นไม่ถูกเห็นไม่ตรงเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็คือตัวความรู้สึกเมื่อเรารู้จักความรู้สึกเราเห็นอ้อมันคือสภาพกรรม ที่มันเกิดดับเกิดดับตามเหตุตปัจจัยบางทีเราก็อยู่เหนือเหตุนือปัจจัยเหตุปัจจัยจะทำใจอะไรเราไม่ได้เพราะมันเลือกได้เราเลือกที่จะทาตามสัญชาติญาณไปสู่ความสุขหรือว่าเราจะเลือกทำตามสัญชาติญาณไปสู่ความทุกข์หรือว่าเราจะเลือกที่จะเหนือสัญชาตญาณกลับมาเป็นสติปัฏฐานนะ วางจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนมันมีอยู่ในความรู้สึกตัวทั้งหมดเมื่อเราเคลื่อนมือเมื่อเราเดินจงกรมเมืม่อเรากำหนดดูรวมหายใจเมื่อเราไปดูท้องปองยุบจะทําอะไรก็ตามเถอะมันก็คือความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยจึงไม่ใช่เรื่องที่มาเถียงกันว่ามาทําอย่างนี้ถูกหรือผิดเรามาชิม้มหรือว่าเรามา หาประสบการณ์ตรงในโลกใบนี้มีการปฏิบัติมีรูปแบบของการฝึกหัดปฏิบัติมีวิชาการมากมายเต็มโลกอย่างี้เราก็รับรู้รับทราบเป็นข้อมูลเอาไว้เออมันมีอย่างนี้ด้วยนะอย่างี้แล้วเราก็ลองดูเพื่อจะใช้ได้จริงๆเหมือนกับกรรมวิธีในการรักษาโรคมีมากมายเหลือเกินเดี๋ยวนี้พยายามคืนสู่ธรรมชาติกัน รักษาด้วยกลไกของธรรมชาติสมัยนึงมีการถกเถียงว่าแพทย์แผนไทยดีหรือว่าแพทย์แผนธรรมบัณฑ์ตกดีรักษาแบบหมอไทยพื้นบ้านดีหรือว่าไปโรงพยาบาลหาหมอที่มีปริญญาบัตรดีถกเถียงกันต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนมาระดมสมองกันท้ายสุดมีความเห็นว่า เ, าเออมันก็ดีทั้งหมดนะเนะ จะรักษาแบบไหนก็ดีทั้งหมดจะจัดการนะกับโรคร้ายฆ่าเขาให้ตายปราบเชื้อโรคให้หมดก็ถูกหนะรือว่าจะสร้างภูมิต้านทานน้ำแข็งแรงที่สุดภูมิต้านทานอ่อนแอสร้างภูมิต้านทานน้ำแข็งแรงขึ้นมาเราอยู่กับโรคแบบเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันมันก็ถูก mm hmm. อย่างมะเร็งเนี่ยบางคนหมดกําลังใจเนื้อลายก็ เชืออะไรเจริญเติบโตรักตายอย่างรวดเร็วหมดกำลังใจแต่บางคนฮึดขึ้นมามีกำลังใจดีสร้างจิตใจให้ดีขึ้นมามีกำลังใจต้องอยู่ต้องอยู่ต้องอยู่ออยทําบุญทําทานออกกำลังกายปรากฏว่าเออภูมิทันทานแข็งแรงขึ้นมาก็อยู่กันไปนั่นแหละบางทีก็ไม่ตายทักทีกับเป็นโรคชะลาตายอย่างนี้ก็มี บางทีเป็นเบาหวานบางคนหมดกําลังใจบางคนก็เป็นเนื้อร้ายอ่อนแอไปเลยหมดเรี่ยวหมดแรงแต่บางคนนี่อายุยืนการที่จะตายด้วยโรคเบาหวานกับแข็งแรงอายุ90กว่าตายก็มีที่พูดนี้ก็คือคนเราเราตัวนี่อย่างเช่นคนที่เป็นเบาหวานและอายุยืนก็คนยากของอัตมาเนี่ยนะ เป็นตั้งแต่อายุห้าสิบแต่ไปตายตอนอายุเก้าสิบสามปีด้โรคชลายแล้วก็รับประทานส้มแล้วก็ชานส้มติดคอตายเพราะไม่มีแรงเกืนอายุเก้าสิบสามหมดแรงเกืนครั้ น, นี้โลกลูกหลานก็ไม่ได้คันน้ำส้มให้เดิม ใ, ให้กินท่านกรีบเราก็จึงจะมาเห็นชีวิตของเราจะต้องปลอดภัยจนถึงที่สุดนั่นแหละ หมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าจะต้องเลือกใช้นะวิชาการต่างๆมากมายให้ตรงตามหน้าที่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเป็นหมอตอนไหนเป็นสามีภรรยาตอนไหนเป็นเพื่อนกันตอนไหนเป็นผู้โดยสารตอนไหนเป็นคนขับรถที่จะต้องเคารพกฎหมายจราจรตอนไหนจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนเราจะเกี่ยวข้องกับตัวอย่างไรจะกินจะขับไทย ออกจากสังคมแลอย่างเรื่องของตัวเองอีกะจะใช้ชีวิตยังไงนะไม่ให้ความคิดนะมันย่ำยีมีอิทธิพลมันครอบงำจนกระทั่งฟุ้งซ่านแล้วก็เครียดในท้ายสุดเราจะมาฝึกมหาหัดกั น, นให้จิตให้ใจของเรามันมีนที่พึ่งและเป็นที่พึ่งที่เป็นรูปธรรมชัดเจ น, นก็คือการเคลื่อนการไหวล้ก็เนความรู้สึกที่ฐานกายตัวนี้แหละเมื่อเรามารู้สึกตัว ความรู้สึกตัวก็จะพาให้เราเนะี่ยเหมือนกัว่าคิดดีพูดดีทำดีเนะพราะว่าสตินะมันจะชวนให้เราคิดดีพูดดีทำดนะีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันมีความรู้สึกตัวเพราะนั้นทำที่มีอุปการะมากที่สุดนะยิ่งกว่าพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่นี่มีอุปการะมากที่สุดนะไม่มีใครรักเราเท่ากับพ่อแม่หรอกในโลกใบนี้ถึงท่านจะดา่าท่านจะดุนะ ถึงท่นานจะบ่นแต่นั่นก็คือคำพ่อมสอนแล้วก็ปรารถนาดีของแมนะ่ซึ่งแม่เองเนีตกอยู่ในภพภูมิที่เรียกว่าปรทุ ป, ปะจีวิเปตนะปรลทัตโปะจีวีเปตนะก็คือเป็นปุตตะมหานรกนะั่นรกขุมใหญ่มากใครมีลูกแล้วก็จะรู้นะเป็นความห่วงใยนะเป็นความปรารถนาดีนะปรารถนาให้ลูกนะ่ยดีไปกว่าตัวเองอีกเป็นอภิชาตบุตรเงี้ย ไม่เป็นอาวชชาตำบุญบุร ท, ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้พ่อแม่นเน่เจ็บปวดหรือว่าตายสุดก็คือตรอมใจตายไปเลยบางคนอย่าเล่นอินเทอร์เน็ตนะลูกเฉยบางทีอยู่ชั้นบนแม่อยู่ชั้นล่างโทรศัพท์โลกมากินข้าวเฮ้อเฉยไม่รับโทรศัพท์เล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเฟซบุ๊กไงนายตายสุดแม่ก็บอกว่า ต้าลูกไม่มาเนะ่นะแม่จะกระโดดหน้าต่างลงไปเลยนะค่าตัวตายเฉยเฉย่ฉต้สุดแม่กระโดดลงไปจริงๆก็เป็นข่าวกันมาแล้วแบบนี้นะเพราะนั้นเราก็จะต้องรู้จักและหน้าที่ตรงไหนทำอะไรอย่างงี้โลกมโลกว้างสรรพสัตว์สรรพสิ่งต่างๆความรู้รอบตัวมากมายสรรพรวิชาในโลกนี้โดยเพรา ะ, ะวิชาเจริญสติถ้าไม่ได้รู้วิชา ศา ส, สนาฝึกการเจรติจ้กรทั้งเป็นนิสัยนะก็คิดว่าชาตินี้จะหาความสุขได้ยากมากๆ ม, นะมันจะไปตามสรรชาติยานนะของความเป็นมนุษย์นะเป็นสัตว์โลกนะมันก็จะเหมือนกับสัตว์ทั่วๆไปทุกๆนะชีวิตในโลกใบนี้นะล้วนแล้วแต่มีความรู้สึกนะตามธรรมชาติอยู่แล้วแหลนะแต่เพียงกตว่าเขาไม่มีปัญญาที่จะรู้ได้นะนะอาการต่างๆนะ มันมีอยู่นะมันมีทุกมันมีไม่ทุกขนะเขาเลือกไม่ได้ไต้เกอก็ต้องเป็นไปตามสัญจญัตยานเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเงี้ยหนีภัยพอมีภัยก็จะหนีภัยเป็นสัญจัตยานสัตว์กับคนนี่ก็เหมือนกันบางทีก็จะเสพกราร ม, มีความสุขก็แย่งชิงกันกัดกันอย่างเงี้ยอย่างมนุษย์เราเนี่ที่ไหนมีผลประโยชน์ที่นั่นมีการขัดแยง้ง ไอ้ที่เราขัดแย้งกันก็เพื่อผลประโยชน์อาจจะเป็นเกียรติยศสันเถรินให้เขาได้ยอมรับเราอันนี้ก็เถียงกันแต่พลังมีสติมันจะยอมดันดีเออก็ให้เขาไปเขาอยากได้ก็ต้องให้เขาไปอย่างเงี้ยเขาโกรธก็อยากโกรธก็ต้องให้เขาไปแต่เราก็จะไม่โกรธอย่างเขาอย่างเงี้ยเขาไม่รักเราก็ไม่เป็นไรเราก็รักเขาซะอย่างเงี้ยเพราะเราเลือกคุณธรรมเลือกเอาความดีความงาม ความเอื้อเฟื้อความมีน้ำใจมาใช้อย่างนี้นะอันนี้คือสติมจะคัดสรรให้เราเองหรอกความรู้สึกตัวมันก็จะพาเราเดินไปทิศทางนี้แหละไม่เราเบียดเบียนตัวเองไม่เราเบียดเบียนผู้อื่นเกิดความเป็นไปเองจึงไม่ต้องอ่านตำรับตำราอะไรเล ย, เ, ลยเวลาศึกษาอุศาสนาเนี่ยเรามาศึกษาที่กายที่ใจเนี่ยแหละ <c oughs> มันจะเห็ น, นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเลือกเป็นจริงๆ มันจะเลือกของมันเองแหะบางทีมันก็เหมือนกับแสดงเป็นแสดงธรรมธรรมชาติของของเราเดิมๆแท้ๆนะมันจะไม่ใช่มีการเหมือนกับว่าเก็บกฎรรว่าเป็นการที่ว่ากบเกลื่อนเป็นการที่สร้างภาพอะไรมันไม่ใช่นะก็จะก็ว่าสร้างภาพไหมอย่างเช่นว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ย ก็จะมีการสร้างภาพกันมากมายเหลือเกินนั่งตัวตรงแข็งทื่อหรือไม่ก็เลือกแบบในแบบนางแบบนยสวยๆดูแล้วเจริญหูเจริญตาคัดภาพสวยๆเบลอๆมีต้นไม้เขียวๆมีน้ำอยู่เบื้องหลังแล้วก็ถ่ายภาพชวนฝันแล้วก็นั่งยิ้มน้อยๆสดใสผ่องใสมีชีวิตชีวา แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่การสร้างภาพเฉยๆลองมาปฏิบัติจริงๆไงอย่างที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยจะเห็นว่ามีความง่กงุ่งเกิดขึ้นมาความเบื่อเกิดขึ้นมาดทีนั่งเนี่ยตัวไม่ตรงหลังงอคุ้มอย่างที่กระพิงเสาพิงต้นไม้อย่างงี้นะแต่ว่าภาพเหล่านี้เราจะไม่เคยเห็นปกหนังสือท ร, รมะวราวัาสาต่างๆโยคะจีวิจิตต่างๆไม่มี ก็สร้างภาพสวยๆเอาไว้จริงๆธรรมะมันเป็นอย่างที่มันเป็นอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งเจ็บปวดเมื่อยอย่างี้มันคือสภาวะทุกแสดงออกมาให้เราได้เห็นอาการต่างๆมันแสดงออกมาให้เราได้รู้สึกตัวแต่เราก็กลายเป็นความเบื่อไม่ชอบอ่อนแอเปาะบางอย่างี้อันนี้คือไหลไปตามกิเลสไหลไปตามสัญชาตญาณแต่เรามีสติปัฏฐานเราก็ทวนกลับมาหาความรู้สึกอย่างนี้ จะเห็นว่าพอทําไปนานๆเนี่ยนะกายเย็นสีวก็เข้มแข็งขึ้นมาแก่กล้าขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาเอาไปใช้เลยในโลกใบนี้ถึงเวลาทนก็ทนถึงเวลาแข็งก็แข็งอย่างกเพชรเวลาอ่อนก็อ่อนโยนไอ่อนก็อ่อนย่างกระไหมอย่างเงี้ยนะมันเป็นสภาวะอย่างนั้นจริงๆมันจะเด็ดขาดเด็ดขาดกับตัวเองเด็ดขาดกับหน้าที่ท้ายสุดคือมันยอมตาย บางทีทาดีก็ต้องยอมตายแ้วแหละหระะือไปปฏิัติรรมก็ต้องยอมตายบางทีเช่นองค์สมเด็จสัมมาสูรเจ้านะพูดไว้เลยวันนี้ละขอนั่งเป็นครั้งสุดท้ายถึงแม่เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปจากโซลีละาก็ตามถึงกระดูกเอนจับปูพังไปก็ตามแต่ว่าธรรม ะ, ะที่เราควรรู้ควรเห็น ด้วยเร็วแรงของบรรุษตะหากวัยะเรายังไม่บรรลุอนุตตะต่ละสัมมาสัมโปธิยานเราก็จะไม่หยุดทำความเพียรเสียถึงแม้ตายไปก็ยอมประโยคนี้มันมีอยู่ในตำรับตำราอันนี้พูดเป็นภาษาไทยเลือดเนื้อจเจือแห้งไปจากสรีระก็ตามนเนื้อหนังอินกระดูกจะผุพังไปก็ตามนะนะนะ ต่งานการขอายังไม่ประสบความสําเร็จก็คือบรรลุอนุตลธรรมาสัมปทาณเราก็จะไม่หยุดทาความเปลียนเสียทั้งแม้ตายไปก็ยอมอย่างเงี้ยลักษณะของคนใจเพชรมันใจแข็งจริงๆเข้มแข็งจริงๆอะไรเป็นเรื่องถูกต้องดีงามมันจะตรงไปตรงมา เ, เด็ดขาดแต่ที่มกันที่สุดคือมันจะเด็ดขาดกับตัวเองมไม่ได้ไปใช้เด็ดขาดกับคนอื่นตรงนี้สําคัญ มันเห็นทุกอย้งวงมต้องเด็ดขาดกับทุกเลยออกมาทันทีนะทุกข์เพราะความคิดอย่างเงี้ยออกมาทันทีคิดแลบปรุงแล้วแต่งออกมาทันทีแต่ถ้าหากเป็นความคิดที่มันดีนะเป็นหน้าที่การงานนะคิดแล้วพูดคิดแล้วทำนิจเจตนาคิดลงไปสองคูณสองเป็น4 ส, สามคูณสามเป็น6อย่างเงี้ยคิดลงไปคูณ ล, ลงไปกับนิสัยไก่จิกเด็กจิกเด็กตายบนปากโอง่งอย่างเงี้ยอ๋อ รู้แล้วมันเป็นภาษากลางอักษรกลางของภาษาไทยอย่างี้เราก็หยิบเอามาใช้เช้าสายบ่ายค่ำรู้กาละรู้เทสาถานา้าถานะาต่างๆมันก็เกิดการอยู่ได้ในโลกใบ น, นี้ซึ่มันมีภัยรอบตัวมากมายอย่างเช่นวันแรกที่เรายกขึ้นมาภัยที่เกิดจากความคิดก็คือภัยวัฏสงสารอย่างนี้นะา ว, ว่าเรากาลังเดินทางใกล้ความตายไปทุกทีเวลาหนึ่งผ่านไป เดินเก้าหนึ่งใกล้ความตายอันนี้เรียกว่ามรณภัยไม่มีใครหรอกที่จะไม่ตายในโลกใบ น, นี้ไม่สามารถติดสินบนมัจจุราชได้แล้วเราก็ไม่แน่ใจด้วจะตายตอนไหนเมื่อไรตายที่ไหนตายด้วยโลกอะไรรู้ไม่ได้จึงไม่ประมาทกันแต่ละเก้าแต่ละเก้าของกันใช้ชีวิตจะต้องไม่ประมาทอย่างเช่นเพื่อนมาวันแรกเห็นไหมลรางแก้วยังไม่ปลอดภัยเลย ล้างแก้วเนี่ยก็ต้องดูแล้วโอแก้วมันลาวไหมอย่างเงี้ยต้องดูด้วยตาเลยนะหยิบมาดูด้วยตาสํารวจเสร็จล้วเามือล้างก็ต้องสัมผัสครานี้ปําแป๊บทันทีมันจะสะดุ้งทันทีถอนออกทันทีอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้ น, น, น, น, นจริงจริงจติ่มจะไวมากสัมผัสรู้ปับ๊บรู้ทันทีไม่ปลอดภยัยมันจะชักออกทันทีอย่างเงี้ยมันจะรู้เนะีเป็นธรรมที่ทําให้เกิดความไม่ประมาทจริงๆในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยนะ ภัยธรรมชาติเดือนนี้ภัยธรรมชาติรุนแรงมากเนะนื่องจากแม้ว่าจะเป็นเฮลิโอรานิยาหรือว่าลักษณะของนะคลื่นที่เป็นคลื่นละเอียดนะเรียก ว, ว่านะิวตรินอยสอันนี้วิทยาศาสตร์ค้นพบนะแมกมากในโลกหนระือว่าโลกที่มันกำลังสั่นสะเทือนนะวันไหวเพราะพลังงานที่ละเอียดตัวนี้มันกำลังแยกทนะลุทะลวงนะซึ่ง ทำให้เกิดเหตุการณ์แกนเอกแกนวายเปลี่ยนไปแกนของโลกก็เ้อนึกถึงว่ายุคในอสาวมันตายไปยังไงมันคงไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรอกหรือว่าตัดไม้ทําลายป่าแต่เป็นคนไกของธรรมชาตินับล้านล้านปีจะเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามนุษย์หรืวพลังของชีวิตนอุบัติขึ้นมาเมือ่อนับล้านลาน้ลานปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมาจากนา้ํำกี่ล้านปีพันไพ่ตัวนี้มันมีแน่นอนนะ เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะแค่หนาวหนาวหน่อยเรามาอยู่ที่นี่เราก็ทุกข์ใจแล้วละ่นะเหมือนกับมันมีภัยมากมายบางทีก็ปรับเนื้อปรับตัวไม่ได้ต้องเจ็บไข้ไม่สบายกันไปหลังจากที่เจ็บไข้ไม่สบายเป็นโลคาภายัยก็กลายเป็นว่าใจป่วยด้วยอย่างเนี้นะบางทีหมอนะ้ขบวนอยากกลับบ้านนั่นละป่วยจิตแล้วให้รู้ไว้ด้วยป่วยทางจิตแล้วเพราะเราเลือกแล้วที่จะเป็นหมอ เลือกแล้วที่จะไปลงโรงบาล น, นี้จังหวัดนี้เราเสร็จแล้ว เ, เจอโครงการแบบนี้ซึ่งทางกรอกพอกำหนดเไ ว, ว้ชัดเจนรัฐบาลกำหนดไ ว, ว้ชัดเจนการทําให้คนเก่งเป็นคนดีมันหมดเงินหมดทองมากแต่การที่ทําคนดีให้เก่งใ น, นนี้ไม่ยากเพราะว่าเขาคิดดีพูดดีทดําดีด้วยจิตสํานึกของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นเวลา เรารับจากราชการแล้อว่าทํางานไปแล้วก็มันเกิดเรื่องขึ้นมามันแก้ไขมันมีคุกมีตารางมันเกี่ยวข้องกับบุตรคลอีกมากมายเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นการมาอยู่ที่นี่เนี่ยมันเป็นล่าเป็นโชคแล้วแหละเป็นบุญแล้วแหละและที่สำคันที่สุดคืมันเกิดจากแรงอิทธิฐานจิตของเราแน่นอนอาตมาคิดอย่างนี้จริงๆไม่ใช่อยู่ๆจะพลุกมานั่งที่นี่เป็นแรงอิทธิฐานจิตของเราอยู่แล้วที่ว่าจะคุณชาติใดชาติหนึ่งคอยมานั่งปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนา ครั้งหนึ่งเทิดขอให้มีมรรคผลนิพพานเกิดขึ้นขอให้เกิดในดินแดนที่ศาสนาพุทธมันจเจริญหรือว่าพุทธภูมิอย่างเงี้ยมันวิฐานมาแล้วเท่านั้นแหละมันไม่มีเรื่องฟุ้กหรอกอยู่ๆคนทั้งโลกทําไมมานั่งอยู่ตรงนี้ทําไมไมันับถือศาสนาพุทธทําไมไม่ปฏิบัติธรรมเพราะอะไรทําไมกาลงังหลงโลกอยู่เวลาเนี้ยเป็นเวลาตายขอยงคนอีกหลายคนเที่ยวมาทั้งคืนเมาแอะกำลังกลับบ้านแล้วก็อุบัติเหตุอย่างเงี้ยบางคนก็เข้าโรงพยาบาล คิดแบบนี้นะแล้วจิตนะเวลาใจฐานว่าตั้งสัจจานะห้ามเด็ดขาดนะไอ้ฐานจะประคุณเกียดมึงเหลือเกินนะอย่าได้เกิดแล้วก็มาเจออีกทุกๆชาตินะนะเกลียดจริงๆไอ้คนคนนี้เหม็นหน้าจริงๆนะความรักเป็นความร้ายนาทีมันเป็นอย่างนั้นรักเกือบตายไปอยู่กันโอ้ไอ้ฐานจิตอย่าได้เจอได้เจออีกนะ ท, ก ท, กทุกชาติอย่างเงี้ยทายฐานแบบนี้ปั๊บนะ อย่าได้เจอได้เจอถ้าถ้าเกิดชาติหน้าเขาสมบูรณ์แบบเลยดีร่รวยเก่งอย่างเงี้ยเศรษฐกิจกรรมม็มีแล้วเราก็ไปหลงรักเขาอยากได้เขาท้ายสุดเขาก็นหนีเราประเภทนี้อกหักอีกและบางทีจะประคุณดีเหลือเกินขอให้เกิด ก, กันอีกทุกทุกชาตินะเจอกันอีกทุกทุกชาตินะอเงี้ยไอ้ฐานแบบนี้แม่ดีเหลือเกินพ่อดีเหลือเกินขอให้เจอให้เจอ เกิดมาชาติใดฉันใดก็ให้เป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อกันอีกเป็นผัวเป็นเมียอีกนะแล้วเดี๋ยวเกิดมาไม่เท่าเก่าอีกค่ะเสียดกรรมก็มี จ, จะว่าไงไม่ดูแลก็ตายตลอดนอะเหนื่อยก็เหนื่อยเบื่อก็เบือเบ่ อ, เ, อเหมือนยายต้อยถูกผู้พันยนะจับหัวก็แทกเตียงหญ่ต้อยนี่มาไปอยู่ทำที่วัดป่าสุกตัวนี่แหละไม่ยอมยกมือสิบสี่งว่าไม่ยอมที่จะเดินจงกรมไม่ยอมสนใจเรื่องพวกนี้เลยแต่มาอยู่ในวัดเนี่ท้ายสุด ไปไหนไปกับสามีเป็นผู้พันจะรักเธอคนเดียวไปไหนเดีย๋ดวยวไปด้วยกันนะไม่สนใจพระพูดว่าอะไรไม่สนใจทางนั้นนะนะท้ายสุดมาฟ้องพระนะตอนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเก่งก็หัวกระแทกเตียงโครมโครมโคลมผู้พันไม่รักหนูว่างั้นอา้าวเขาไม่รักยังไงล่ะก็จับหัวหนูก็แทกเตียงก็บอกเมื่อไหร่มึงจะตายเมื่อไหร่มึงจะตายอย่างเงี้ยหายก็ไม่หายตายก็ไม่ตายท้ายสุดเนะี่ยความรักเั็นความร้ไรนะ เป็นความเบื่อดูแลกันก็เบื่อด้านหมอดูแลคนไข้บางทีก็เบื่อนะกลับมารู้สึกตัวเนำะช่วยได้นะตัวนี้มันจะช่วยให้เรามีความสุขเนะมื่อเรามีความสุขแล้วใช้ไม้ใช้มือกายวาจาใจเราทําดีทําหน้าที่กับโลกเนยะก็จะเกิดสันนิขสันิภาพอย่างเนี้ใ น, ะนาวันนั้นการที่เรามานั่งปนฏะิบัติธรรกันเจ้านี้วันเจ้าสุดท้ายแล้วจะกลับบ้านก็ขออย่าให้เทิ้งให้ว้างนะ ควารู้สึกตัวเนี่ยให้กลับแนละ้วนำไปใช้ต่อนะจะนั่งจะเดินจะยื น, จ ะ, ยนจะนอนให้รู้สึกตัวก็ไว้อาจจะไม่ต้องยกมือในรูปแบบก็ได้แต่ถ้ามีเวลายกมือในรูปแบบก็ดีก่อนนอนสัก5้านาทีสินาทีหลังจากตื่นมาแล้วนะสัก5นาทีสินาทนะีดูลมหายใจก็ได้ทำอะไรได้ก็ทำไปเถอนะแล้วนะมีปกตินะ มีควารมรู้สึกตัวตัวพร้อมนะในการปฏิบัติงานจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนทั้งวันนะระลึกได้เมื่อไรก็กลับมานะอย่างเช่นมีอยู่บริษัทหนึ่งขออ้างนิดหนึง่ง f ฟอร์รี่นนะ์ที่จังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีการนะให้สัญญาณกดกลิ่งกลิ่นบางทีมีเสียงะระฆังกะแก้ง เป็นที่รู้กันว่าให้กลับมารู้สึกตัวพนักงานก็จะมีการทำงานไปด้วยแล้วก็เจริญสติไปด้วยเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องของธรรมะที่ทำให้ห้างสินค้าบริแลนมีชื่อเสียงไม่ใช่ว่าเกิดมาจากการขายสินค้าคนทั่วไปเข้าไปสนใจธรรมะกันในห้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ศาสนาธรรมศาสนสฐานต่างๆ ก็ถูกประยกต์แล้วแหละไม่เฉพาะที่วัดที่เราจะเจริญสติได้ตามห้างต่างๆเซนทันบนนี้มีการปเปิรรมกันเราก็จึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาวัดป่าสุประตหรือว่าวัดใดวัดหนึ่งไม่ใช่เอากายเป็นวัดนะมีจิตใจเป็นพระรู้สึกที่กายเท่ากับพระอยู่ที่วัดนั่นแหนะอยู่ตรงไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ที่รู้สึกตัวเราก็ระลึกเพราะฉะนั้น การที่เรามาอยู่ร่วมกันในทีน่นะี้ก็ขออ้างนะเอาคุณพระศรีรนะัตนตรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์ก็ขอให้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสารกลโลกนะแล้วก็ธรรมะที่เราปฏิบัติกรรมก็เป็นเหตุเป็นเราปัจจัยกำจุ น, นุนส่งให้พวกเราทุกคนด้เจริญด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาจะทํางานใดๆก็ขอให้มีความสําเร็จมีความสําเร็จมีความสำเร็จ มีโอกาสที่จ ะ, จะเจริญสติปัฏฐานในชีวิตจริงจนทัง่งเข้าถึงไสยธรรมเบื้องสูงก็คือความพ้นทุกข์ในแวดวงชาตินี้โดยทัวนากัารทุกตั้นทุกคนเตอ